นายอำพลพยักหน้าประพิงเดินผละออกนอกเขตชายคาตึกอำนวยการโดยเร็วแล้วป้องปากตะโกนไปทางคนของเขาที่ยังมั่วกันอยู่กับคนของนายอำพลวู้กลับบ้านโอยจะมืดแล้วบุญคําจันทเกิดและเสิดพระจากบุงเล่าที่รํากันมาตั้งแต่หมายออกวิ่งตรงไปที่รถโดยเร็ว กระโดดขึ้นเกาะเรากลิงข้างอย่างชำนาญและรู้เส้นกันดีอยู่แล้วรพินนำรถเคลื่อนออกจากที่ควบบูเลงบูเลงออกจากบริเวณสถานีกักสัตว์บ่ายหน้ากลับหมู่บ้านของเขาบุญคํากัะจันนั่งอยูดในต่อนหน้าของรถแลนกับเขาด้วยทุกคนคุยกันเอะสนุกสนานแต่แล้วก็ค่อยคอยเงียบเสียงไปเมื่อเห็นเจ้านายนั่งขับรถอยู่เงียบเงียบโดยไม่พูดอะไรสักคาเดียว จนกระทั่งรถวิ่งเข้าสู่ทางปูเยนในละมาะไม้ท่ามกลางแสงโปรเพของสนธยาการกลางป่านายเสียงตะเ่าบุญคำผู้อาวุโสกว่าทุกคนเรียกขึ้นเบาๆอาการเมาแอของแกเริ่มหายไปทันทีจอมพลนไม่ได้หันมาคงมองไปเบื้องหน้าอย่างมือลอยแต่คลางตอบในลำคอว่าหึนายเป็นอะไรไป ไม่สบายหรือเปล่าถ้ายังไงแล้วก็นายนั่งเหอะใ้อ้เกิดมันขับแทงก็ได้ไม่เป็นไรนี่สบายดีนายอยปิดอะไรพวกผมเลยนายจัพูดน้ําเสียงจริงจังจ้องง่ะมีอะไรก็บอกให้ลูกน้องรู้บางทีนายพวกผมก็นั่งกินเหล้าอยู่ข้างล่างก็จริงนะแต่พอจะมองเห็นนะนายเห็นอะไรเขาถามหุนหุน ก็ระหว่างที่นายขับรถเข้าไปในอำเภอหลังจากที่นายหญิงไปแล้วก็เห็นมีรถคันใหญ่มาถึงที่สถานีกักแสกคนไทยแ ก, แก่กับคนไทยหนุ่มสองคนาพาฝรั่งสี่คนมาพบคุณนำพลเป็นผู้ชายสองผู้หญิงแหม่มสองพวกนั้นก็ขึ้นไปคุยอะไรกันบนตึกอำนวยการอยู่พักหนึ่งกูจัดการประชดก็ขับรถออกไปตามนายและนายก็มาขึ้นไปพบพวกนั้นยิงคูยอยู่นานนี่ เออแล้วไงก็พ่อนายกลับลงมาก็น่ามุยลงมามันก็ผิดปกติไปมากอดิพวกนั้นมีธุระอะไรกับนายเหรอพวกพ่อค้าสัอดป่าหรือพวกนักท่องเที่ยวป่าจะมาจ้างให้นายพาไปเที่ยวป่ะจันถามบ้งอย่างฉลาดก็ทํามันเป็นพวกพ่อค้าสัตว์ป่าหรือนักเที่ยวป่านั้นมันก็ดีถ้ามันไม่ใช่ก็พุ่ออกมาอย่างงดุดหงิด พวกนั้นฟังแล้วอาปากหวอมองหน้ามาที่เจ้านายเป็นตาเดียวกันอาแล้วพวกนั้นมีธุระอะไรกับ น, นายละ่ะคระพินตอบลูกศิษย์ของเขาแบบไม่ตรงคำถามเราก็ต้องเข้าปากันอีกแล้วสิอีกงวดนี้นะ่ะไปนานใช่ด้วยนาะอาจจะเท่าเท่ากับบุกเทือกเขาประศิวะนนบุญคํากระจันมองหน้ากันเอง เรื่องเขาป่านะ่ะมันเรื่องเล็กนายจะบุกเถือเขาซิวะหรือจะลุยโครบราอุมาอย่างที่แล้วแล้วมานะ่ะมันไม่สําคัญหรอกนายแต่มันสําคัญตรงที่ว่าถ้าทางของนายนะ่ะไม่สบายใจเลยเห็นหนะ้านายแล้วหายเมาไอคํารู้นะ่ะว่านายไม่สบายใจเออเดี๋ยวมังถามอะไรเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วก่อนเดี๋ยวจะคุยให้ฟังทั้งหมด นั่งเงียบกันมาตลอดทางมืดสนิทเมื่อจิฟคันนั้นถึงหนองน้ำแห้งรถจอดลงที่เดิมก่อนจะแยกเดินขึ้นบ้านทรานใหญ่สั่งกับพวกลูกศิษย์ของเขาว่าทุกคนไปอาบน้ำนะกินข้าว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นมาพบฉันบนบ้านให้เวลาชั่วโมงหนึ่งระพินไพยวันอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสร็จ กินอาหารค่าอย่างซึมเซาตามลําพังคนเดียวซึ่งจัดหาให้โดยเด็กสาวลูกบ้านที่ผลัดเวนกันขึ้นมาปรนิบัติเขาเป็นกิจวัตรประจําวันหลังอาหารแล้วก็นั่งดื่มและสูบบุหรี่อยู่บนเก้าอี้ผ้าใบาตามลําพังเพียงครู่เดียวพรานพื้นเมืองทั้งสี่คนก็เดินเรียงแถวกันขึ้นมาบนเรือนทั้งหมดพากันนั่งลงบนพื้นตรงหน้าเขาจอมพรานลงจากเก้าอี้ผ้าใบาที่เอกเคนเก อ, อยู่ มานั่งขับสมาดอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยเขาไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องปิดบังลูกน้องร่วมตายทั้งสี่คนเราให้ฟังตามจริงทั้งหมดว่าเขาและพวกนั้นจะต้องรับหน้าที่อะไรบ้างอย่างชนิดหลีกเลี่ยงไม่ได้บุญคำจันเกิดแล้วก็เสอไม่แสดงท่าทีว่าตื่นเต้นหรือวิตกกังวลอะไรกับการที่จะต้องท่องไพรลลึกอีกครั้ง ไม่ว่าจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่เพราะป่าก็คือบ้านของพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่แปลกใจที่เจ้านายจำเป็นจะต้องเดินทางไปในครั้งนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นเพราะทั้งสี่คนไม่เข้าใจในความสำคัญของสาเหตุไอ้ระเบิดหาเหวอะไรของมันกันนะนายถึงจะต้องไปตามกันด้วยมันตกอยู่ในป่า ก, ก็มันตกหายไปสิทาไมมันถึงจะต้องไปตามเก็บไปเสียเวลาด้วย เสยถามมันเป็นการยากเหลือเกินที่รพินจะอธิบายให้ลูกน้องเข้าใจนี่ฟังนะมันไม่ใช่ระเบิดธรรมดาแต่เป็นระเบิดที่ร้ายแรงกว่าระเบิดธรรมดาหลายล้านเท่าปาใหญ่มันจะฉีดหายทั้งปาหรือเมืองอาจจะล่มได้ทั้งเมืองให้เจ้าระเบิดนี้นะมันเกิดระเบิดขึ้นอีกอย่างหนึง่งมันเป็นอาวุธลับของพวกนั้น ที่จะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้หรือถ้าปล่อยทิ้งไว้เกิดมันมีไอระเหยออกมาเป็นอันตรายต่อพืชพันธุ์สัตว์หรือคนในบริเวณที่กว้างใหญ่มากบางเอิญมันมาตกอยู่ในแถบที่เราเคยท่องเที่ยวอยู่ตกอยู่ในเขตบ้านเมืองเราหรือเขตประเทศเพื่อนบ้านของเรามันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความยุ่งยากตามมาได้สารพัดอาจจะเกิดสงครามขึ้นก็ได้ ถ้าขืนปล่อยทิ้งไวแต่เราไปทํางานครั้งนี้นะ่ะเราไม่ได้ทําเพื่อพวกเขาแต่ทําเพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติเราด้วยฉันเองก็ไม่คิดที่จะเดินป่าลึกเสียงอันตรายอย่างครั้งก่อนหรอกแต่คราวนี้ถนะ้ามันจำเป็นพลันพื้นเมืองสี่คนมองหน้ากันเองไปมาซุบซิบกันอยู่ครู่หนะึ่งแล้วบุญคําซึ่งเป็นหัวหน้าของคนกลุ่มนั้นก็ยกมือโปกศีรษะ อไม่รู้เรื่องมันจะมีความสำคัญยังไงก็บช่างหัวมันเอะเอาเป็นว่าท่านนายไปพวกขุญคาก็ไปด้วยกันแล้วกันไายกลับเมื่อไรพวกบุญคาก็กลับอยู่ด้วยกันตายด้วยกันถึงไหนถึงกันสำคัญว่านายนะ่ยอย่าแอบหนีพวกบุญคาไปคนเดียวแค่นั้นก็พอเขารู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วว่าสำหรับพวกนี้นะ่ะพูดง่ายเสมอ ในเรื่องการบุก ป, ป่าฝ่าดงขอเพียงให้มีเข้าไปด้วยเท่านั้นตรงข้ามสิทําไมให้ไปซะอีกจะวุ่นเพราะคงไม่มีใครยอมแน่นอนไม่มีใครถามว่าจะไปทางทิศไหนใช้เวลานานสักเท่าไหร่เสี่ยงอันตรายเพียงไหนแต่กลับกลับดันถามว่านี่นายว่าแต่นายจะออกป่าครั้งนี้เนี่ย นายไม่คิดถึงนายหญิงมั่งหรอถ้าไปนานๆน่ะคำถามประโยคนี้ทำเอาระพินแทบสะอึกนิ่งงนันตอบไม่ถูกแล้วก็ดันทะลึ่งถามมาอีกเมื่อเขานิ่งไปว่านายแมนมสองคนนะ่ะสวยใช่ไหมเอ๊แต่พวกของบุญคำไม่เห็นว่าสวยไปกว่านายหญิงของพวกเราเลยให้ตายดิแล้วก็หันหน้าไปทางพักพวก ยิงไม่ไหวจันเสยไอ้เกิดอ่ะเอ้งว่าไงคนผมแดงอ่ะหนุ่มแต่ละข้างอย่างกับลูกโปง่งอัดลมที่ขายในงานวัดน่ะเกิดว่าไอ้ส่วนคนผมทองอ่ะนะก้นเท่ากัาเชอว่ะแบบนี้ลุงคังบอกว่าแอบดูตอนอาบน้าแล้วสบายตามากเลย <c oughs> สืยเสริมมาโดยเร็ว คุณคำสะบูดต้องคำนึงผีพลักเข้าที่้ีงของเจ้าเด็กหนุ่มลมตะแคงไปเห็นกูมีอาชีพแอบดูฝรั่งตัวเมียอาบน้าไปได้ไอเหี้ยดงเซยนี่ก็ของมันดูกันได้นว่ะพวกมึงไม่เคยย่องตามหลังกูหรือไงวะเดี๋ยวพักรพินไทรวันอารมณ์มัวซะจนไม่สนใจอะไรกับการคุยเล่นคนองของลูกน้องเขา เขาลุกจักวงไปนั่งที่โต๊ะกินข้าวแล้วหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมานั่งคิดอยู่ครู่หนึง่ง <c oughs> ก็เขียนรายชื่อของพรานพื้นเมืองในเขตหมู่บ้านซ <c oughs> ึ่งเคยเป็นลูกน้องในเวลาเข้าป่าดักสัตว์ของเขาลงไปในกระดาษแผ่นนั้นเป็นจำนวนสิบคนแต่ละคนก็คัดเอาพวกที่มีฝีมือชนานาญการเดินป่าและแข็งแรงพิเศษทั้งสิ่งและฉีกกระดาษแผ่นนั้นออก พยักหน้าเรียกเกิดซึ่งอ่านหนังสือคล่องกว่าทุกคนเข้ามายื่นกระดาษแผ่นนั่นให้นี่เกิดไป ต, ตามไอ้พวกที่ฉันเขียนรายชื่อเหล่านี้มาให้ครบทั้งสิบคนนะตามมาเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็ขึ้นมาพบบนนี้ทั้งหมดเลยใครนอนก็ปลุกขึ้นมาบอกว่ามีเรื่องด่วนที่สุดเชื่อเจ้าพวกนี้คงไม่มีใครออกสองสัตว์หรือเข้าป่าในคืนนี้หรอกก็คงจะอยู่บนครบอ่นะอ่ะรีบไปรีบมา ชั่วไม่เกินครึ่งชั่วโมงชายชกันอันล้วนเป็นบริวารลูกบ้านของเขาจํานวนสิบคนก็ทยอยกันขึ้นมาบนเรือนและนั่งกันเต็มนอกชานไปหมดคนเหล่านั้นอยู่ในวัยระหว่างยีสห้าถึงห้าสิปีเป็นอย่างสูงแต่ละคนก็ล้วนแต่มีอาชีพเป็นพรานและเป็นคนงานในการออกป่าเพื่อดักจับสัตว์ของเขาทั้งสิ้นทุกคนนับถือเขาเสมอด้วยบิดา มากกว่าที่จะคิดว่าเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านและทุกคนก็คุ้นเคยกับพรานสนิท ต, ตัวกลั่นของเขาทั้งสี่คนเป็นอันดีทั้งหมดนอกจากจะเชื่อฟังเขาคนเดียวแล้วรองลงมาเป็นที่นับถือก็คือตาพรานเท่าบุญคำซึ่งเป็นหัวโจกที่สุดในหมู่บ้านหนองน้าแห้งรัพินเรียกทุกคนเข้ามานั่งลองง้อมวงโดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายอะไรมากนะัก นอกจากจะบอกให้ทราบคร่าวๆว่าจะต้องออกเดินทางไปเพื่ออะไรและทุกคนได้รับเงินค่าจ้างชนิดคุ้มค่าเหนื่อยอย่างไรแล้วก็ขอความเห็นหรือไม่บังคับว่าใครสมัครใจจะไปหรือใครจะสมัครใจถอนตัวแต่ทั้งสิบคนเป็นคนที่เขาเลือกไว้ก่อนแล้วง่ายดายที่สุดไม่จำเป็นจะต้องขอเวลาคิดหรือปรึกษาหารืออะไรกันมาก สิพรานที่เขาหมายตัวเอาไว้แล้วแสดงความยินดีที่จะร่วมงานไปกับเขาในฐานะลูกหักไม่มีใครปฏิเสธเลยสักคนและไม่มีใครซักถามอะไรมากด้วยแม้แต่ในด้านผลประโยชน์ปราศจากการเกี่ยงงอนหรือต่อรองอะไรทั้งสิน้นแม้พรานใหญ่จะย้ำให้ทราบว่าคิดดูใชรอบครอบก่อนนะทุกคนการไปครั้งนี้นะมันเป็นกระตายเท่ากัน สบายมากนายเรื่องจะอยู่หรือตายนระาไม่สำคัญหรอกขอไปด้วยกันนายก็แล้วกันตาบซึ่งถือว่าเป็นผู้อาวุโสที่สุดในสิบคนที่มาใหม่บอกหน้าตาเฉย่ะตตัดสินใจอย่างนั้นก็ดีละทุกคนก็ไปเตรียมตัวได้นะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ให้พร้อมเสร็จภายในสามวันเป็นอย่างชาใครมีปืนประจำมือเคยใช้ยังไง ก็ให้เอาเปืนกระบอกนั้นติดตัวไปด้วยยกเว้ น, ป, นปืนแก๊ปพวกที่เคยใช้ปืนแก๊ปนะให้มาเบิกปื น, ปนลูกซองได้ที่นี่พรุ่งนี้พรานทั้งสิบซึ่งรับรู้กับภาวะของการเป็นลูกหาบเดินลงเรือนไปเงียบเงียบเหมือนเมื่อตอนขึ้นมาภายหลังประชุมอยู่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงคนเหล่านี้ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างง่ายได้มากขอให้ระพินไพรวัน ที่พวกเขาบูชาเป็นผู้สั่งเท่านั้นกับลูกศิษย์คนสนิทของเขาทั้งสี่คนเจอาพานก็ไม่มีอะไรจะต้องสั่งให้เสียเวลาอีกคนเหล่านี้รู้งานและรู้หน้าที่ดีจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วว่าถ้าหากเป็นการออกเดินป่าบุกแดนกันดาลโดยไม่รู้อนาคตเช่นนี้แต่ละคนจะต้องกรรเตรียมตัวเช่นไรบ้างสิ่งที่ระพินจะต้องกาหนดให้ทราบล่วงหน้าก็คือ ปนประจาตัวของแต่ละคนเท่านั้นเพราะคนเหล่านี้จะต้องทำหน้าที่เป็นพรานคุ้มกันพวกลูกหาบและพวกนายจ้างด้วยจันเคยถนัดลูกซองเบลนิ่งห้านัดออโตโ้เกิดกระสืยนะเคยใช้เพียงแค่จุดสทับศ6ตั้งแต่สมัยบุกเทือกพระศิวะและปืนเหล่านั้นส่วนมากก็เป็นปืนของคณะนายจ้างเก่าที่ทิ้งไว้ให้เป็นที่ระลึกนะักบัน พักหนองน้าแห้งนั่นเองแต่ในคืนนี้เขากำหนดชัดออกมาว่ายังตำ่ำต้องจุดสามเจ็ดห้าทุกคนไม่มีใครแยง้งจะเป็นปืนอะไรขนาดไหนพรานพื้นเมืองตัวกลั่นของเขาล้วนยิงได้ในเกณฑ์ดีทั้งสิน้นนายมีสามเจ็ด มีสา5เจ็สบห้าอยู่แค่สองกระบอกเท่านั้นนะนายบาทาบุญคำร้องมาเพราะแกรู้ดีอยู่แล้วว่าในคลังปืนล่าสัตว์ของเจ้านายจนสาม า, ารถจะรอนายถูกหมดทุกกระบอกวินเชสเตอร์อีกแก่ของนายหนึ่งกระบอกละซีแซกของนายแม่มาเรียอีกหนึ่งก็แค่นั้นเอง แล้วอีกสองกระบอกจะเอาที่ไหนล่ะบุญคำน่ะขอจองอีแก่ของนายก่อนละเพราะเคยมือกันนานนมมันก็จริงอย่างที่บุญคําบอกระหว่างที่พรานใหญ่นิ่งคิดเกิดก็บอกว่าเกิดคิดถึงนายแมมมาเรียนะไม่รู้จะได้ลูกหญิงหรือลูกชายสีแสดกระบอกนั้นขอให้เกิดใช้ยแน่นายนะ เสยก็จันมองดูหน้านิ่งไปครู่หนึ่งจันก็ว่าอ่ะแล้วจันก็เสยจะเอาเปืนไหนละนายจันว่าเอาลูกหานัดตามเดิมดีกว่านะส่วนไอ้เสยก็มันใช้จุดสามศูนย์ทับศูนย์หกก็ได้นี่นายลูกซองเรามีเหลือเฟือแล้วจากพวกสิบคนจันก็เสยยังหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจัดการเองนายหําคำพน่ะเขามีปืนอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะ ไปเอาเข้ามาใช้สักกีกระบอกก็ได้ที่ต้องการให้ทั้งสี่คนนี้ใช้ปืนขนาดเดียวกันทั้งหมดแหละจะได้สะดวกในเรื่องกระสุนจะได้ไม่ต้องเอาไปหลายหลายชนิดไประเดี๋ยวหยิบผิดยิ บ, ยบถูกแั้วก็ยังพออาศัยกระสุนได้ในเวลาจาเป็นจาไว้อย่างเดียวแหละว่านายจ้างของเราทั้งห้าคนฝรั่งสีไทยหนึ่งนี่จะได้รับอันตรายใดๆจากสัตว์ป่าไม่ได้เป็นนันขา ยกเว้นแต่เหลือวิสัยของเราจริงๆเท่านั้นเราทุกคนมีหน้าที่ต้องคอยประกบตัวให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวไปเลยแล้วก็ไม่จาเป็นนะที่จะต้องให้เขารู้ตัวพวกเขาห้าคนพวกเราก็คุ้มกันห้าคนพอดีบุญคำปิดปากัวเรอคิดครับนายถ้างั้นบุญคำขอจองตัวแมงผุม่มแดงนะนายรับรองริ้งจะไม่ให้ตาย ไรจะไม่ให้ตอมทีเดียวฮึได้แต่บุญค้ำอาจจะถูกไอหัวเกรียนทรงลานดินกระเทือบเอาเมื่อไหร่ก็ได้นะและฉันก็จะไม่ช่วยถ้าฝรั่งตัวโตวน่ะมันรำเท้าถาวายผาให้บุญคํำในกรณีสัป ป, รประรดปลาเท่าอาดีตพรานแห่งเขาอึมครึมอ่าปากหวออีกสามคนหัวเราะกันลั่นจันสกิดสีข้างยานคางบอกว่าพี่คำ คิดแต่ดีนาแม่ผมแดงน่ะดูท่าทางจะเฮียนซะยิ่งกว่านายแม่มาเรียสักสิบเท่าก็ไม่ปานนะพี่คานาตอนที่เรานั่งกินเหล้ากันอยู่ไอ้พวกนั้นเดินผ่านขึ้นไปบนตึกอนวยการนัน่นนะโอ้ฉันเห็นแม่เดินส่ยสื้อกเสียงเนื้อเสียดสีกันดังเอียดเอียดทีเดียวแล้วพี่คมแต่ข้าว่าแม่ผมทองตัวสูงน่าจะดูเดือดชนิดเงียบเงียบมากกว่านะ ตานี้คมกริบเจเดินป่าคราวนีนะ้นายเราคงจะหนักใจซะยิ่งกว่าบุกเขาพระศิวะอีกวะพับทาดิปตาเท่าสับ ป, ประดูพูดเสียงอ่อยๆแล้วหันมาชำเลืองมองหน้าเจ้านายระพินขมวดคิ้วยังหงุดหงิดนี่อุบปากกันทีเถอะแล้วก็ไปหลับนอนได้แล้วเขาโบกมือไล่พวกมันยังหัวเราะคิกคักหน้าตป ทุกคนลวนคลึกคลืนร่าเริงเป็นปกติไม่มีใครแสดงความวิตกกังวลใดๆทั้งสิน้นพากันลุกขึ้นเดินเรียงแถวร้องเพลงกระเรียงลงจากเรือนไปบุญคำอยู่ทายเพื่อนก่อนจะก้าวลงบันไดไปแกหันมาถามบนหัวเราะว่านายฝรั่งสองคู่น่ะผัวเมียกันหรือเปล่านายไม่ใช่ผัวเมียหรอกเขาเป็นคนที่ต้องมาทำงานร่วมกัน เสียงพูดดังลอยๆระหว่างที่ตาเท่าเดินลงมันใดรังท้ายแววมาให้ได้ยินว่าต่อให้เป็นผัวเมียกันมากันแบบนี้ก็ไม่ค่อยเข้าท่าอยู่แล้วโอ้ยล่งไม่ได้เป็นผัวเมียกันนายกูเห็นใ แ, แย่แล้วโว้ย <laughs> เสียงเพลงกระเรี่ยงเพลงลิเกผสมกับเพลงลูกทุ่ง แววห่างออกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นความสงัดวิเวกของบรรยากาศนกปาละเมออยู่บนยอดไม้นานๆครั้งจะแววเสียงเก้งเก๊กร้องมาจับชายดมระพิงนั่งจมตัวอยู่ในความเงียบนานในที่สุดก็เดินกลับเข้ามาในห้องนอนเปิดประตูตู้เก็บปืนขนาดใหญ่ปลายตีนเตียงอ้ากว้างออก แล้วยืนพิจารณานิ่งอยู่ที่ราวปืนอันเรียงกันอยู่เป็นตักนั้นกระบอกแรกดับเบิ้ไรเฟิลจุดน t r o e x p r ไนโตรเอ็กซ์เพสซึ่งชา ย, ยันใช้ประจมือจากต้นจนวินาทีสุดท้ายของการกลับมันทำให้เขาหวนระลึกไปถึงเพื่อนรักอดีตนายทหารปืนใหญ่ถัดมาเป็นจุดสเวเอร์บี ภาพของดรฮอฟมันหัวเก่าผู้วายชนของมาเรียเป็นภาพผ่านแว็บเข้ามาในมนโนคิดปืนกระบอกนี้ตกมาเป็นปืนคู่มือของคุณชายเชษฐาอดีตหัวหน้าในคณะราชสกุลผู้ที่เขาเคารพนับถือในน้ำใจและความเป็นสุภาพบุรุษร0อยเปอร์เซ์กระบอกต่อไปเป็น c z แ7 5จ o l l a n d Holland อแลนด์ฮอแลนด์ประจำมือของมาเรีย ซึ่งกร้ำศึกหนักมาอย่างโชกโชนแม่สาวเลือดผสมระหว่างเยอรมันและฝรั่งเศสผู้นั้นบัดนี้เป็นสุขแล้วกับครอบครัวใหม่อันอบอุ่นรวมทั้งทายาทที่จะเกิดใหม่ด้วยกระบอกที่สี่ซึ่งตั้งเรียงกันอยู่ระพิงจ้องแล้วก็ต้องสะท้อนถอนใจและบังเกิดความเศร้าขึ้นอย่างเรนลึกจนต้องยืนซึมนิ่งไปชั่วขณะ ในที่สุดก็อค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาถือประคองไว้ในมือทั้งสองมันคือจุด300ศูนย์เวเทอร์บีแม็กนังเจ้าของจะเป็นใครซะอีกถ้าไม่ใช่แม่ดอกฟ้าดารินคนนั้นบัดนี้เจ้าของจะรู้บ้างไหมนะว่ารพินไัยวันคนนี้กําลังจะจากไปแล้วจากไปสู่อนาคตที่ไม่มีใครจะทำนายได้ นอกจากสวรรค์เบื้องบนเท่านั้นคุณหญิงจะคิดถึงห่วงใยเขาบ้างไหมจะร้อนรุ่มกระวนกระวายใจเพียงไหนหากรู้ความจริงทั้งหมดภายหลังจากที่เขาได้จากเธอไปแล้วชนิดที่คงไม่มีวันต่างพบยกเว้นแต่จะมีชีวิตรอดกลับคืนมาได้เท่านั้นดู อ, อเถอะโชคชะตาชีวิต มันช่างผันไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือชนิดคาดฝันไม่ได้ล่วงหน้ามาก่อนทั้งเขาและเธอมีจุดนัดพบกันแน่นอนแล้วที่กรุงเทพแต่แล้วก็กลับมีเหตุการณ์จำเป็นแทรกเข้ามาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวจะบายเบี่ยงแก้ไขยังไงก็ไม่ได้ทั้งสิ้นพรานใหญ่ถอนใจยาวบรรจงเก็บไรเฟิลกระบอกนั้นเข้าที่ตามเดิม และยุติการพิจารณาปืนเก่าๆที่เคยผ่านเหตุการณ์มาแล้วเหล่านั้นซึ่งตั้งขึ้นไว้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ภายในตู้โดยปิดตู้ลงซะโดยเร็วไม่อยากจะมองไม่อยากจะพินิษพิจารณามันอีกเพราะยิ่งเห็นปืนแต่ละกระบอกก็ยิ่งหวนคิดไปถึงความหลังที่อยากจะลืมซะให้หมดสิทว่าก็ไม่อาจลืมลง ทุกระบอกที่คณะอดีตนายจ้างใช้เป็นปืนคู่ชีบบุกบันฝาฟันมากะเขาโดยตลอดถูกเก็บไว้ในตู้นี้ทั้งหมดโดยไม่ได้เอากลับคืนไปเลยไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวเขายังจำได้ครั้งสุดท้ายก่อนจากกันที่หนองน้ำแห้งแห่งนี้คุณชายเชษฐาผู้เป็นหัวหน้าคณะเข้ามาจับมือและบอกกับเขาว่าระพิน ฝากเพิ่ทั้งหมดเหล่านี้ไว้ด้วยนะเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าพวกเราและเตือนระลึกคุณด้วยว่าจงอย่าลืมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยผนึกชีวิตร่วมกันมายิ่งกว่าเป็นเพื่อนน้ำมิตรใดๆในโลกนี้สักวันหนึ่งพวกเราทั้งหมดจะกลับคืนมาดูมันอีกครั้งจากวันนั้นจวบจนกระทั่งวันนี้ เขาเก็บรักษาปืนที่คณะนายจ้างมอบไว้อย่างดีที่สุดทุกระบอกชำระล้างเกลี้ยงสะอาดปราศจากสนิมแม้แต่นิดหนึ่งแล้วเขาก็ไม่เคยหยิบกระบอกใดออกมาใช้งานเลยทั้งสิ่งนอกจากจะใช้ปืนประจำตัวที่เคยใช้อยู่ดั้งเดิมเท่านั้นยังจำได้ต่อไปในน้ำเสียงหวานปนสัพยอของหม่อมราชวงศ์สาวสวยคนนั้น ที่แอบเข้ามากระซิบต่อจากพี่ชายว่านี่ผลกระบอกอื่นจะละเลยซะก็ไม่ว่าอะไรนะแต่จุดส0 0เวทเวทอร์แ ม, มกกระบอกนี้นะ่ะจะเป็นสนิมใช่ะถ้าอหวนกลับมาตรวจดูเพราว่ามันเป็นสนิมเมื่อไร่มันจะเป็นลางร้ายแห่งความรักที่ฉันมีต่อนายพรานของฉันนะรพินไพรวันไม่กล้าที่จะหยิบไพรเฟินของดารินกระบอกนั้นขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้ง ว่ามันเป็นสนิมบ้างหรือเปล่าเขากลัวกลัวว่าจะบังเอิญไปพบสนิมครับหรือว่ามันเกิดสนิมขึ้นซะแล้วจอมพลันผลักจากตู้นั้นโดยเร็วเดินมาที่โต๊ะเขียนหนังสือข้างเตียงไขใส้ตะเกียงลานที่ตั้งประจําอยู่ให้สว่างขึ้นนั่งนิ่งไปอีกครู่ ก็ลงมือเขียนโน้ตสั้นสั้นเช้ากรูกวันรุ่งขึ้นระพิงกับคนของเขาเข้าไปในสถานีกักสัตว์อีกครั้งผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟรอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาต้องการเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในเวลาไม่เกินบ่ายสองโมงมันช่วยเขาปลอดโปรงและสบายใจขึ้นปลอดหนึ่งสาหรับมาดาผู้ชาราของเขาก็ไม่มีอะไรา ย, ยาก เพียงแต่ไปกราบตามปกติแล้วก็บอกท่านว่าจะต้องเข้าป่าแน่ละงวดนี้อาจจะนานหน่อยก็แค่นั้นเองผู้ให้กำเนิดก็พยักหน้ารับทราบให้พรและเตือนสติว่าระพินแม่อยากให้ลูกเลิกเป็นพรานเลิกล่าสัตว์ตัดชีวิตมันบาสนะลูกนะแม่ครับเอาไว้ผมตั้งตัว พอจะหันไปทํางานอย่างอื่นได้นะครับผมก็จะเลือกงานอย่างนี้เหมือนกันแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ล่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรโดยไม่ได้จําเป็นนะครับนอกจากจะไปจับสัตว์มาส่งขายให้ศูนย์สัตว์เท่านั้นเขาตอบตามความจริงเมื่อกลับจากอาเภอมาถึงสถานีตับสัตว์อีกครั้งระพินขอไรเฟื่อขนาดจุดสาหแม็กจากนายห้างอําพล2กระบอกสําหรับจันร์และเซย์ ซึ่งปืนขนาดนี้ยังขาดมืออยู่กระสุนไม่มีปัญหาอะไรมากสถานีกักสัตว์ของนายอัมพลเป็นคลังอยู่แล้วแล้วเขาก็เบิกเป็นประจำจากแห่ง น, นี้จะเอาสักเท่าไหร่ก็ได้ออกจะถูกคับสักหน่อยเมื่อเขาถามหากระสุนขนาดจุดสหแปดมกนัมแอฟริกันซึ่งตัวเองมีสำรองอยู่ไม่เกินส0สิบนัด คุณจะใช้สี่ห้าแปดที่คุณชายเคยมอบให้กระบอกนั้นเหรอระพินผู้อำนวยการถามคุณอำพลครับคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ครับว่ามันจำเป็นสำหรับผมซึ่งมีหน้าที่จะต้องป้องกันชีวิตของคนทุกคนในคณะถ้าจะว่าอันที่จริงแล้วไอจุดสี่ห้าแปดมันก็ยังกิ๋วไปเสด้วยซ้ำสำหรับป่าที่เราจะบุกมานี่ แต่ให้ใหญ่กว่านี้ผมก็ขี้เกยียจจะแบกครับ <c oughs> กระสุนขนาดนี้ผมไม่มีนะระพินแต่ไม่เป็นไรผมจะวิทยุถึงท่านในพลให้ท่านจัดหานำติดตัวมาด้วยเอาสักเท่าไหร่ดีละ่ะสามรานัดพอไหมคุณมากไปครับผมไม่ได้ไปรบกับใครมีไว้สำหรับกันแม่ช้างมันกระทึกใครหรือเสือล่าใครไปขย้ำเท่านั้น แค่ร้อยนักก็พอครับขอหัวแข็งห้าสิบหัวอ่อนห้าสิบลูกหมัดฐานธรรมดาจากโรงงานนั่นแหละครับไม่ต้องการลูกที่โหลดเป็นพิเศษยังไงอะ่ะโอเคทุกอย่างจะเรียบร้อยนายอัมพลตกหลาคเขาและส่งสิ่งที่ถือประคองอยู่ในมือให้เบาระพินกะพริตตางงงงอะไรครับนา่ารับไปเอยนะ นี่เป็นสิ่งเดียวที่ผมพอจะให้คุณได้ระพินแบมือออกนายอำมพลยกมือขึ้นไหวจบศีรษะแล้วบันจงวางสิ่งนั้นลงบนมือของระพินเป็นสมเด็จวัดระขังรุ่นแรกที่หายากที่สุดเนื้อผงละเอียดงามละ อ, อตาภายในจีวรทองคำซึ่งเขาจำได้ว่า พูดโดยการไทไวายไล่แขวนติดคอเป็นประจำซ้ำยังเคยคุยให้ฟังด้วยว่ามีคนให้มาแล้วถึงสองล้านบาทยังไม่ยอมให้เช่ารัพินยกมือขึ้นจบบูชาแล้วส่งคืนไปให้ในายอัมพลลืมตาโตอุทานออกมาว่าอ่ะทำไมล่ะคุณรัพินสั่นศีสษะคุณอัมพลครับ ผมว่านิมน์ท่านเอาไว้ที่อันควรนะครับผมน่ะเป็นพรานแต่ไหนแต่ไรมาผมก็ไม่เคยเอาปลักเครื่องเป็นที่คุ้มครองภัยเพราะรู้ตัวเองอยู่ว่าเป็นคนทําบาปเป็นประจําอย่าให้หลวงพ่อท่านต้องมาพลอยเดือดร้อนกับผมเลยครับปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาประจําตัวของผมดีกว่าเป็นพรานป่าดัานเสือกพกพระอีกมันก็บาเปเต็งทีพระอยู่ในหัวใจของผมเลยครับคุณอำพล ืคุณนี่ก็มีอุอดมคติแปลกไม่เหมือนใครนะเอาเอาเอาตามใจมีอะไรที่ผมจะรับใครคุณได้อีกมั่งอ่ะเนี่ยบอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจตอนนี้ก็ยังไม่มีหรอกครับแต่วันที่จะออกเดินทางอาจจะมีอะไรไหวาวานคุณอำพลสักนิดสักหน่อยครับคุณจะไปกับคณะ น, นี้ที่หนองน้าแห้งด้วยไม่ใช่หรือครับใช่ที่ ผมกับท่านนายพลก็จะต้องไปส่งพวกคุณทั้งหมดที่หนองน้ําแห้งแล้วก็รอส่งพวกคุณจนออกเดินทางทีเดียวแหละก็คงจะเหมือนครั้งที่คุณไปกับคณะคุณชายเชษฐาแน่แหละว่าแต่ลูกหาบสิบคนหาได้เรียบร้อยหรื อ, อยังคุณเรียบร้อยครับทุกคนมีชื่อระบุชัดอยู่ในพินัยกรรมที่ทนายของคุณทําไว้เรียบร้อยทั้งหมดอนะครับผมไปก่อนนะจะไปจัดเตรียมบ้านพักไว้เรียบร้อยก่อน พอถึงยังไงก่อนออกเดินทางแท้จริงพวกนั้นก็คงจะต้องค้างแรมที่หนองน้ำแห้งอย่างน้อยก็คืนนึงล้นละครับแล้วพบกันบ่ายจัดของอีกสองวันต่อมากิ๊ดดอตขนาดใหญ่แบบเดียวกับที่ทางบริษัทเคยใช้บรรทุกสัตว์ป่าก็เคลื่อนเข้ามาจอดอยู่ยังลานหน้าบ้านพักของระพิน จอมพราณอยู่ในระหว่างชำระสาสางตรวจสอบปฏิบัติการของวินจุด458แมกนัมแอฟริกันของเขาอยู่เขาชะงกหน้าต่างลงมามองก็เห็นคนกลุ่มใหญ่ทยอยลงมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่นั้นมีนชาวบ้านหนองน้ำแห้งแห่กันเข้ามารุมล้อมกันเต็มเสียงนายอำพลทักใครต่อใครอันเป็นลูกบ้านของเขาโวกเวกไปหมด จอมพรานไต่บันไดบ้านทาซานของเข้าลงมาถึงพื้นก็เผชิญหน้ากับนายอัมพลซึ่งกรากเข้ามาเป็นคนแรกเบื้องหลังออกไปเป็นกลุ่มของนายจ้างแอฟริกันท่านนายพลวิชัยและพันตรีเชิดวุฒิซึ่งกําลังยืนหันมองไปรอบๆ อ, อ, อาณาบริเวณของหมู่บ้านหนองน้ําแห้งอย่างตื่นตาตื่นใจเข้ามากันแล้วนายอัมพลบอกยิ้มยิ้ม โธ่ก็ผมมองเห็นอยู่แล้วนี่ครับไม่เห็นจะต้องบอกเลยคุณนำพลท่านใหญ่ยิ้มตอบแล้วเดินตรงเข้าไปสิ่งแรกที่ทำคือยกมือขึ้นไหว้ท่านนายพลซึ่งอาวุโสที่สุดแล้วก็ประสานมือกับหัวหน้าคณะด็อเตอร์สเตลลีเป็นคนแรกน้องน้ำแห่งยินดีต้อนรับคณะของท่านครับด็อเตอร์สเตลลีหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เขย่ามือเข้าแรง ตาสีฟ้าเป็นประกายยิ้มให้อย่างแจม่มใสประพินคุณมีที่อยู่อันน่ารักเหลือเกินธรรมชาติที่นี่สงบสวยงามมากคีเป็นคนที่สองซึ่งประสานมือกับเขาแต่คราวนี้เป็นการจับมือสั่นแบบธรรมดาไม่แกล่งบีบเหมือนเมื่อครั้งพบกันครั้งแรกข้าวหน้าของคีตขึ้นๆเคร่งๆ ดีใจที่ได้พบกันอีกได้ดีใจที่จะได้ร่วมทางกับคุณแน่นอนครับเราร่วมทางกันแน่ครับเขาตอบอย่างสุภาพซ้ำอย่างก้มศรีรษะให้เล็กนิดหนึ่งเบลแม่ผมแดงยิ้มรื่นผิวหน้าและลำคอสีชมพูของหลอนเกาะพร้าวไปด้วยเหงื่อเม็ดเล็ ก, ลกจากอากาศอบอ้าวและการเดินทางไม่ได้จับมือกับเขา เพียงแต่โบกมือให้ทักว่าไงมิสเตอร์ฮันเตอร์วันนี้ดูคุณแจ่มใสกว่าวันแรกที่เราพบกันนะอำนาจดอลล่าของคุณมันทำความแจ่มใสกผมไม่เลยไม่เลวทีเดียวแหละเขาตอบบนหัวเราะในทันทีที่หล่อนจบประโยคแล้วก็มองไปทางคริสผู้ซึ่งยังยืนหันหลังมองภูมิประเทศรอบตัวอยู่เหมือนจะไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้น วันนี้หลอ น, นุ่งยีนสีน้ำเงินรัดรูปและเสื้อยือดว้าวแขนลึกคอห่อสีเนื้อมีจ็คเก็ตเข้าชุดพาดอยู่บนไหลสิ่งที่หลอนจ้องอยู่ในขณะนี้ก็คือบ้านทาซานที่ปลูกคร่อมระหว่างโขดหินใหญ่และาคาคบต้นไม้ของเขาแต่เมื่อหัวหน้าคณะหันไปเรียกเบาๆหลอนจึงหันกลับมาด้วยกิริยาอันเยือกเย็นมีรอยยิ้มนิดนิด อันเป็นบุคลิกเดิมอย่างที่เคยเห็นระบินเป็นฝ่ายเดินเข้าไปพักก่อนหลอนมองเขาอย่างพินิษพูดเบาน้ำเสียงต่ำลึกว่ารู้สึกว่าคุณจะเป็นคนเมีารมโรแมนติกมากนะหมายความว่าไงครับหลอนบุ้ยปากไปยังตัวบ้านของเขาบ้านคุณไงยังกับบ้านของโรบินสันครูโซอย่างนั้นแหละ ในเวลากลางคืนหลังคาห้องนอนที่มุงด้วยแฝกของคุณคงจะเลื่อนเปิดเพื่อดูดาวดูเดือนได้นะรับวพินหัวเราะเบาๆใช่ครับหลังคาห้องนอนผมเปิดได้แต่น่าเสียดายจังเลยที่ผมไม่ได้เห็นดาวดวงไหนเลยเห็นแต่ดาวเทียมของพวกคุณกับขยะอวกาศลอยเต็มท้องฟ้าไปหมด มันทำลายบรรยากาศจริงๆครับคริสตินากรูบินเบิกตานิดหนึง่งเชิดคอแข็งแล้วยักไหลข้างนึงขึ้นตามนิสัยระพินไม่ได้สนใจอะไรอีกเขามองไปทางเชิดวุษพันตรีหนุ่มแห่งกองทัพ บ, บกยิ้มให้เขาอย่างมิตรสนิทใจแล้วขยิบตาให้นิดหนึง่งโดยไม่จาเป็นจะต้องทักทายอะไรกันทั้งสิ้นนอกจากจะเดินเข้ามาโอบไหลเขาไว มีกรรมกรของบริษัทไทยไวไลฟ์ติดตามมาด้วยสามสี่คนและคนเหล่านั้นกำลังลำเลียงหีบห่อสัมภาระต่างๆบางอย่างบรรจุในหีบหนังและบางอย่างก็อยู่ในถุงทะเลลงจากรถเสียงนายอัมพลเป็นคนบงการให้คนของเขาเหล่านั้นช่วยกันขนลาเลียงขึ้นไปก่อนรพินอดไม่ได้ที่จะชำเลืองดูสัมภาระเหล่านั้นเขาไม่เห็นอะไรละเอียดนัก เพระทุกสิ่งบรรจุอยู่ในหีบห่อดังกล่าวอย่างไรก็ตามจากลักษณะการแพ็คของและวัตถุหีบห่อที่บรรจุมาเขารู้สึกว่านายจ้างอเมริกันกลุ่มนี้มีความชํานาญพอใช้ในด้านการบรรจุสิ่งของเพื่อจะออกเดินป่ากันอย่างไม่รู้อนาคตพระทุกหีบห่อแน่นหนาแข็งแรงและเหมาะกับสภาพของการหอบหิว้วหรือแบกกันไป อย่างสมบุสมบัญยิงด็อกเกอร์สแตนลีย์ไปช่วยควบคุมบงการในการเคลื่อนย้ายสิ่งของลงจากรถอีกคันหนึ่งอย่างใกล้ชิดโดยคอยเตือนให้พวกกรมกรรมะมัดระวังในการขนสัมภาระบางส่วนระพินยังไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ยืนดูอยู่เฉยๆพันตริเชิดวุฒแอบเข้ามากระซิบกับเขาว่าคุณระพินมีวิทยุรับส่งแรงสูง กับอุปกรณ์จำเป็นบางอย่างในการตรวจค้นหากรมันตภาพรังสีซึ่งจะต้องระมัดระวังมากครับในการเคลื่อนย้ายของที่จะต้องประครับประคองเหล่านี้น้ําหนักไม่มากนะักผมเองก็ได้คําแนะนําและตรวจสอบสัมภาระที่พวกเขาจะเอาไปกันไปอยู่แล้วโดยไม่ให้เกินพิกัดแต่ถึงก็ยังไงก็ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมากอยู่แหละวระพินคํานวณด้วยสายตาคร่าวๆแล้วยิงเลี่ยน อะไรก็ตามเถอะครับขออย่าให้เกินกำลังของคนสิบคนที่จะแบกหามไปก็แล้วกันผมจัดลูกหาไว้ไว้แล้วสิบคนาหาของก็ได้หคู่พอดีกำลังคนที่มากกว่านี้นะมันจะอึกระเบิและเกยกะเกินไปครับนี่เดี๋ยวพอได้โอกาสคุณก็ลองไปตรวจ ด, ดูอีกทีสิว่ามีอะไรที่พอจะตัดออกไปได้บ้างในสิ่งที่คุณเห็นว่าไม่จาเป็น ยกเว้นอุปกรณ์ทางเทคนิคแต่ผมสังเกตดูจากการจัดของของพวกนี้นะก็พอจะทราบได้ว่าพวกนี้ก็ไม่เลวนักพระคุณรัฐบาลเขาคัดตัวมาถูกต้องแล้วเพราะเข้าใจในเรื่องการเดินป่าได้ดีมากผู้หญิงสองคนนั่นก็เข้าใจว่าคงจะไม่เป็นภาระอะไรมากนะักเพราะคล่องตัวมากสาธุขอเป็นอย่างที่คุณเชิดวูบอกเถอะผมจะสะดวกปลอดโปร่งใจขึ้นอีกมากเชย ว่าแต่ว่าผมมีสิทธิ์ที่จะตรวจเช็คของเหล่านั้นหรือยกเว้นจากอุปกรณ์จำเป็นทางเทคนิคแล้วผมได้พูดให้พวกนี้เข้าใจไว้ก่อนเนยนะครับว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะแนะนำได้ว่าควรจะตัดอะไรออกไปบ้างที่คุณเห็นว่าไม่จำเป็นถ้าที่ผมเห็นเห็นก็เครื่องใช้ส่วนตัวของแต่ละคนก็ไม่มากนักนะมีเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นรับรองให้คุณเบาใจได้ก่อนเลยว่าพวกนี้ไม่ได้จัดของแบบนักทัศนาจร เพื่อแสวงหาความสำราญหรือพุ่มเฟือยใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นการเตรียมตัวเผชิญกับพนาคตอันยากลำบากขีดสุดทุกอย่างถูกย่อส่วนและเลือกสรรชนิดประหยัดน้ำหนักทั้งสิน้นผมก็นึกไปไม่ถึงแต่แรกเหมือนกันนะว่าพวกนี้จะเป็นทีเดียวแหละคุณเชิดวุธความจริงผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับสัมภาระเข้าของของพวกเขาหรอกแล้วก็อยากให้พวกเขามีความสุขความสะดวกสบายบ้าง ตามสมควรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของซึ่งจะเป็นภาระของคนแบกหามระพินพูดอย่างจริงใจขณะที่มองไปยังสแตนลีย์และคีธซึ่งช่วยกันควบคุมการขนลำเลียงของไทยรถนอกจากลูกหาห้าคู่สิบคนแล้วนี่ผมยังมีพรานอีกสี่คนที่พอจะช่วยแบกช่วยสะพายได้อีกแต่สี่คนนี่จะต้องไม่รับน้าหนักมากเกินไปนัก พรพวกเขาจะต้องทําหน้าที่พรางคุ้มกันด้วยได้ยินว่ามีเครื่องรับส่งวิทยุมาด้วยหรอครับครับใช่เครื่อ ง, งสําหรับติดต่อกับศูนย์บังคับการพร้อมอะไหล่ทุกชิ้นมันก็เป็นเครื่องไม่ใหญ่โตอะไรนะักหรอกเล็กนิดเดียวเสียด้วยซ้ําไปเป็นวิทยุพิเศษแบบจารกรรมโดยตรงอ่ะผมก็ไม่ทราบหรอกว่าสมรรถนะของมันอะ่ะมันจะมีรัศมีไกลแค่ไหน นอกจากนั้นก็ดูเหมือนจะมีวิทยุเล็กๆแบบวอกกี้ทอกกี้แต่ย่อส่วนลงไปอีกติดสำรองมาด้วยสำหรับว่าถ้าจำเป็นจะต้องแยกทางกันห่างไกลออกไปก็จะแจกไว้เพื่อให้ติดต่อกันได้ผมก็พอจะทราบแค่นี้ลหละคุณนอกนั้นก็เป็นอุปกรณ์ทางเทคนิคโดยตรงซึ่งผมไม่ทราบหรอว่ามีอะไรมั่งแล้วก็ใช้ในเรื่องไหนจอมพรานรีตาลงแถวเสียงลงเป็นกระซิบ เชืุ่แน่ใจเหรอครับว่าวิทยุที่พวกนี้นำมาด้วยจะใช้ติดต่อกระสุนบังคับการได้ตลอดเวลาในฐาน ห, าหนุ่มมองหน้าเขาเออผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่เครื่องมือเครื่องชชยที่พวกนี้นำมาใช้งานนี่ก็แปลว่าจะต้องเลือกชนิดสุดยอดของเขาลละอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขีดสุดขนาดดวงจันเขาก็เคยไปเหยียบมาแล้วนี่ เรื่องแค่นี้มันก็ขี้ประเติ๋วไม่ใช่เหรอคุณรพินยิ้มนิดๆครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องขี้ประเติ๋วนะสำหรับความนึกคิดของพวกเขาแต่เขาจะรู้เองว่าบนพื้นพิภพโลกที่เรียกว่าแพลเน็ตเอิร์ธซึ่งพวกเขาอาศัยและคิดว่าสามารถครอบครองมันไว้ในอุ้งเท้าแล้วนี่ยังมีสิ่งลี้ลับอีกหลายสิ่งหลายอย่างนักที่พวกเขาค้นคว้าไปยังไม่ถึง และไม่คาดฝันว่าจะเป็นไปได้คุณเชิดวุฒิก็เคยทราบมาบ้างแล้วไม่ใช่หครับรบนผิวโลกของเราบางส่วนนี่แหละเรือดำน้ำปรมาณูหรือเครื่องบินของเขาหลายต่อหลายลำแล้วอยู่ๆก็สูญหายไปเฉยๆรดยตามร่องรอยไม่พบเลยว่ามันหายไปได้ยังไงและพวกเขาก็ยังงงงันกันอยู่ค้นคว้าหาสาเหตุตาแหน่งแห่งที่ไม่ได้กลายเป็นความลี้ลับอยู่ทุกวันนี้ เขตที่เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขีดสุดของพวกเขาสูญหายไปอย่างปราศจากร่องรอยนะ่ะมันเป็นเขตปลอดเป็นแดนสนธยาที่วิทยาศาสตร์ของพวกเขาเอื้อมเข้าไปไม่ถึงอุ้งหัดของพระผู้เป็นเจ้าหรือจะพูดให้ตรงก็คือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มีอิทธิพลอยู่เหนือวิทยาศาสตร์แม้จะไม่เสมอไปนะักแต่ก็บางโอกาสนะครับ เชือบุษยยังคงจ้องหน้าระพินอยู่เช่นนั้นอึ้งไปครู่คุณพูดหน้าคิดนะระพินและสิ่งที่คุณยกตัวอย่างมาเกี่ยวกับเรือดำน้ำปรมาณูที่ดำแล้วหายไปอย่างลึกลับค้นหาไม่พบไม่ได้ร่องรอยอะไรเลยนะมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นชัดอยู่เหมือนกันคุณคิดว่าเจ้าบีห้าจิบสองลำนั้นและนิวเครียสิกเมกะตัน ไอ้ที่เรากำลังออกติดตามนะ่ะอาจจะหลงหายก็ไปในแดนปลอดหรือแดนสนทยาอย่างที่คุณว่าเหรอท่านใหญ่สั่นสีสับช้าๆผมก็ยังไม่แน่ใจหรือกล้าพูดอะไรนักนะนี่เราพูดกันระหว่างสองคนแล้วกันนะคุณเชิดวุฒลองคิดดูสิครึ่อบินตกระเบิดหายนล้ชาติอย่างอเมริกันน่ะเหรอ จะค้นหาตำแหน่งตกที่แน่นอนของมันไม่ได้จนถึงกับยอมลงทุนออกป่าเดินด้วยเท้ามาว่าจ้างพรานอย่างผมไม่นำทางผมว่ามันจะต้องมีอะไรลีล้ลับหรือวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของพวกเขาซ่อนเร้นอยู่แน่ๆไม่งั้นทำไมพวกนี้ถึงจะตรวจทางอากาศไม่พบต้องลงทุนเดินโดงตามค้นหากันแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งขโมดคิ้ว แล้วแมมริมฝีปากพยักหน้าช้าๆจริงสินะทำไมพวกนี้ถึงค้นหาทางอากาศไม่พบทั้งๆที่เครื่องมือพร้อมหมดทุกอย่างตอนนี้เขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขาได้พยายามกันทุกวิถีทางเมื่อตรวจทางอากาศไม่ได้ก็บุกบันรวจทางภาค พ, พื้นดินโดยมาติดต่อกับคุณ ในฐานะที่ชื่อเสียงคุณก็บรือกล้องไปทั่วว่าเป็นเจ้าแห่งอาณาจากักรไพรที่เต็มไปได้วยความลี้ลับมหาศักดิ์สิทธ r ์ USAF ทั้งหมดหมดปัญญาที่หาตำแหน่งตกของเครื่องบินลำนั้นได้แล้วเขาก็อาจคิดว่ามันไม่แน่เหมือนกันถ้าพ้านชื่อราพินไพรวันนำดันด้นหาทางภาคพื้นดินอาจพบก็ได้ ผมแน่ใจว่าพวกเขาคงจะเฉลียวคิดถึงเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับนี่เหมือนกันถึงได้บุกบันมาพบคุณเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์แก้คลิปพวกนี้นะี่มันโง่เมื่อไรคุณไม่คิดข้อนี้บ้างเลอคำพูดของเชิดบุตรทำเอาระพินอึ้งไปบ้างอืมจริงสินะทำไมพวกนี้ถึงค้นหาทางอากาศไม่พบทั้งๆที่เครื่องมือพร้อมหมดทุกอย่าง แต่นี้เขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขาได้พยายามกันทุกวิถีทางเมื่อตรวจทางอากาศไม่ได้ก็บุกบันตรวจทางภาค พ, พื้นดินโดยมาติดต่อกับคุณในฐานะที่ชื่อเสียงคุณก็บรรลือก้องไปทั่วว่าเป็นเจ้าแห่งอาณาจากักรไพรที่เต็มไปได้วยความลี้ลับมหาศาล USA i r force ทั้งหมดหมดปัญญาที่หาตาแหน่งตก ของเครื่องบินลำนั้นได้แล้วเขาก็อาจคิดว่ามันไม่แน่เหมือนกันถ้าทานชิระพินไพรวันนำดันด้นหาทางภาคพื้นดินอาจพบก็ได้ผมแน่ใจว่าพวกเขาคงจะเฉลียวคิดถึงเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับนี่เหมือนกันถึงได้บุกบั่นมาพบคุณเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์แก้เคร็ดพวกนี้เนะี่ยมันโง่เมื่อไรคุณไม่คิดข้อนี้บ้างเลย คำพูดของเชิดบุตรทําเอาระพิงอึ้งไปบ้างสองชายคุยกันในลักษณะซุบซิบย่างซึ้งถึงพื้นฐานจิตใจและระดับความนึกคิดของกันและกันได้อย่างรวดเร็วคุณเชิดบุตรครับเป็นความลับไหมถ้าผมจะถามคุณเป็นการส่วนตัวว่ะไอ้ศูนย์บังคับการหรือศูนย์บัญชาการค้นหาที่พวกเราจะใช้วิทยุติดต่อนี่ มันอยู่ที่ไหนนายทหารหนุ่มจับมือจอมพรานบีบแน่นกระซิบนี่คุณระพินผมนะ่ะไม่มีความลับอะไรกับคุณหรอกเพราะถึงยังไงเราก็ร่วมเป็นร่วมตายกันอยู่แล้วแล้วคุณก็เป็นคนมีการศึกษาดีอาจจะดีกว่าผมซะอีกในหลายๆด้านผมเองก็ไม่สาดแน่เหมือนกัน ไวร์สูนบังคับการที่พวกนี้จะใช้วิทยุติดต่อนะ่ะมันอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นสถานีเรดาร์แห่งใดแห่งหนึ่งที่พวกเขาเข้ามาตั้งกลาดกลือนอยู่ในบ้านเราทุกวันนี้อาจจะที่สถานทูตชาติของเขาซึ่งอยู่ในกรุงเทพหรืออาจจะเป็นวอชิงตันโดยตรงก็ได้แต่เท่าที่ผมพอจะระแคะระคายมาบ้างนะ่ะเชิดบุดแผ่วเสียงลงไปอีก ชำเลืองไปรอบตัวอย่างไม่ไว้วางใจพอเห็นอเมริกันทั้งสี่คนยืนอยู่ห่างออกไปและกำลังยืนสนทนาอยู่กับนายพลผู้เป็นบิดาและนายอําพลก็กระซิบต่อมาว่านับตั้งแต่พวกนี้ออกเดินทางมาพบคุณที่นี่จะมีเครื่องบินจารกรรมแบบทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศอเมริกันมีเพดานบินสูงลิก ชนิดที่เรดาร์จับไม่ได้จะเริ่มทำการบินวนเวียนอยู่เหนือเอเชียแถบนี้ทั้งหมดพร้อมกับพูดเขาไปยักหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยขณะนี้นี่มันอาจกำลังบินอยู่บนหัวเรานี่ก็ได้คุณวิทยุที่พวกนี้จะติดต่อจะส่งตรงขึ้นไปยังเครื่องบินจรกรรมที่ผัดเปลี่ยนกันร่อนอยู่ยังเพดานสูงสุดน่นเป็นจุดแรก เพื่อรายงานผลในเจ้าเครื่องบินจารกรรมอันมีลักษณะเป็นเครื่องบินปีศาจลำนั้นก็จะเป็นสถานีลอยถ่ายทอดเสียงรายงานหรือรับคำสั่งจากศูนย์บังคับการเพื่อติดต่อสั่งการลงมายังภาคพื้นดินอีกทีหนึ่งซึ่งมันสามารถจะส่งถึงบ่อชิงตันทีเดียวจากการถ่ายทอดแบบนี้ระพินตะลึงอูทานแผวโอ้โห แบบนี้เลยเหรอคุณก็บอกแล้วว่าเท่าที่ผมรู้มาคุณเฉยเฉยนะไม่ต้องไปถามพวกเขาหละ่ะหรือว่าจะแสดงอาการรู้ก็ไม่ได้นี่มันเป็นความลับขีดสุดของพวกเขาผมถึงได้บอกแล้วไงว่าทุกฝีก้าวย่างที่คุณจะนำพวกนี้ไปทางศูนย์บังคับการจะรู้ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตราบเท่าที่วิทยุยังติดต่อได้ ขอให้คุณสังเกตให้ดีเถอะในคืนนี้แหละจะต้องมีการรายงานวิทยุเป็นครั้งแรกภายในบ้านพักของคุณก่อนออกเดินทางและจะรายงานหรือติดต่อกันไปทุกระยะทีเดียวจะวคิดนั่นแหละนอกจากจะเป็นผู้ชํานาญในทางการบินแล้วยังมาทําหน้าที่ครั้งนี้ในฐานะพนักงานวิทยุแต่ผมว่าเราคงฟังเขาไม่รู้เรื่องละคุณไอการติดต่อทุกชนิดนะ่ะคงพูดเป็นรหัสหมดแหละ และผมเชื่อว่าทั้งสี่คนถ้าจาเป็นก็จะสามารถใช้รหัสติดต่อกระสุนบังคับการได้ทั้งสิน้นไม่ผูกขาดว่าจะต้องเป็นเจ้าคีดคนเดียวหรอกสี่คนพวกนี้น่ะแม้จะมีหน้าฉากเป็นผู้เชี่ยวชาญแยกไปคนล ะ, ะแขนงเช่นไรมั่งก็าตามแต่เชื่อเถอะว่าล้วนแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดและนักจารกรรมประเภทหัวกะทิทั้งนั้นถึงแม้สาวสองคนนั่นก็เถอะอย่าชะล่าใจประมาทเป็นอันขาด ไม่แน่จริงรัฐบาลของเขาคงไม่คัดตัวส่งมาในงานนี้โดยเฉพาะหรอกและที่ผมยังไม่แน่ใจอยู่ในขนาดนี้ก็คืออาจจะมีสื่ออะไรสักอย่างแฝงซ่อนอยู่ในตัวพวกเขาหรือไม่โดยการติดตัวอยู่ในลักษณะวัตถุเล็กๆและสื่อชนิดนี้แหละที่เรดาร์จากเครื่องบินจารกรรมอันควบคุมอยู่เหนืออากาศสามารถจะบอกได้ว่าคนทั้งสี่นะกาลังเคลื่อนไหว อยู่ในแถบใดบ้างหดืออาจจะไปปรากฏเป็นจุดอยู่ในจอเรดาร์เครื่องบินซึ่งเห็นลิฟบนเวียนอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกว่าพวกนี้จะไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่จะมีอยู่และจะไม่ยอมให้เรารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้เลยว่าอะไรใช้ประโยชน์ยังไงบ้างจอมพรานยักไหลนิดหนึ่ง ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องรู้ไม่ใช่หรือครับหน้าที่ของผมก็คือนำทางหน้าที่ของคุณก็คือติดตามมาด้วยในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทยและส่วนหน้าที่ของเขาก็คือกู้ระเบิดผมภาวานาให้อุปกรณ์ทางเทคนิคของพวกเขาจงทำงานอย่างได้ผลเถอะเพราะทางฝ่ายเราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เขาค้นพบและกู้คืนไปให้ได้อยู่แล้วขอบคุณนะครับ ที่การุณาบอกอะไรให้ผมได้ทราบไว้บ้างผมคิดไม่ถึงจริงๆเพราะถึงแม้ผมจะมีพื้นฐานการศึกษามาบ้างแต่ผมก็หมกตัวอยู่ในป่าซะนานจะเรียกว่าเป็นคนป่าโง่งๆคนนึงก็ได้ไม่ทราบเราะวัโลกภายหนาภายนอกน่ะเขารุปหน้ากันไปถึงไหนแล้วแล้วก็นึกไม่ออกมาก่อนว่าชีวิตพรานพรายอย่างผมจะต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องเรื่องสาคัญถึงเพียงนี้